สวัสดีเพื่อนสาธิกนีุ้มและผู้อ่านทุกนในยุทกทุกท่านได้มาร่วมประชุมในสายงานที่อาตมาก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปร่วมแถลงนานๆก็ได้ไปร่วมครั้งหนึ่งแต่สำหรับวัตมาก็คือ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 ยังไม่ได้ก็มันก็าคาดเขนเดียวว่า จ, จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าไปตามหลักฐานไปเป็นหลักฐานอย่างนั้นเนีายฉะนั้นการเรียนการรู้การศึกษาเนี่ยนี่ขณะนี้ทุกท่านกับกาลังศึกษาอยู่นะี่ยนี่คือการศึกษาในตำราเพราะว่านาพะพระ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 แม่เราเรียนมานมันต้องเข้าชานนะชานนั้นชานนี้ไม่รู้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเรียนมาแปลวิสุทธิมรรคโอโเข้าชานออกชานเข้าชานนี้ออกชานนั้นถอดเข้าถอดออกได้ตลอดเลย <c oughs> เราเรียนมาใช่มจำเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองความ ร, รังเลสงสัยมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่เพื่อที่เราจะ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 คนา้าคกลางก็ยากมากถ้าลูกแบบแล้วโอ้ยเยอะหมดถามลูกศิษย์หลวงพ่อวัดพะวันเดยสามพันสี่พันนั่นน่ะอัตมาไปเจองานร้อยปีหลวงพ่อเทียนที่ส่วนรถไฟกรุงเทพนะั่นมีคนหนึ่งเขาเข้ามาหาอัตมาเป็นลูกศิษย์วัดหลวงพ่อพะวันท่านไม่รู้เป็นอะไรกับนั่งสงบทั้งคืน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 หลพ่อจะเรียนทำเสียคัดค้านามายแต่หลังจากจำมันสาปีสามาจะมามาเจอปุ๊บเนี่ยจริงอย่างท่านวา่าจริงอย่างท่านว่าเริ่มเหม็นจริงอย่างท่านว่าละเมื่อก่อนหลวงพ่อเทียนพูดอะไรนะพูดให้ประโยคนก้าวฟังมันก็ยิงพูดเหมือนไครไม่เหมือนแล้วพูดไม่เหมือนคนที่เขาเข้าใจไม่เหมือน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 ให้กำลังใจก็ให้ได้ชั่วตอนฟังเนี่ยนะเดี๋ยวพอไปเดินมากๆท่ามากๆมันง่วงมันเบื่อมากๆเขาก็กำลังใจก็หายหมดแล้วอาจารย์จะพูดดีขนาดไหนกูก็ไม่ฟังกูจะกลับไปหว่านอ่ฮะยิ่งม่เกิดจะได้แหละเชื่อเลยอยพูดไปฮะชักไม่น้ำตั้งห้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้เคยเจอไหม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 โชคดีที่เราไม่หลงไปตามสังคมเขามากเกินไปนะไม่หลงไปทำโ น, โน่นทำนี่ทาเครื่องร่ำของของังจมหน่อยหาเงินหาทองอะไรอย่างนั้นไม่เป็นหลงอย่างนั้นนะมาเป็นเจ้า ว, วาดเองก็เปลี่ยนไม่ไม่บอกบุญไม่เลี่ยายไม่เน้นเรื่องนั้นมหันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าถึงแล้วเราเร า, เราไปคิดอย่างนั้นพี่ิงไม่ก็ยังละแต่ว่า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 ไม่รู cham, ßen, us, us, ้ว่าจะโชคดีอย yeah. ่างที่อาตมาว่าหรือป่ะแต่สำหรับตัวอาตมามองดูตัวเองแล้เออเราโชคดีนะเขาดึงไปทางอื่นก็อยู่กรุงเทพนี่ไงวัดหนึ่งเขาก็ลังดังเรื่องพระเครื่องเออเขาโฆษณาเราก็อยากได้เขาบ้างไหมนะโฆษณาก็ป้าชาวเขามาต่างกัะแสน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 เป็นพระพุทธศาสนาหมดเหมาหมดพอเรามาศึกษาปฏิบัติจริงอ๋อไม่ใช่เขาจึงเรียกว่าสมมุตินะสมมุติว่าฉันเป็นพระนะโคนหัวโคนคิ้วครูบาอาจารย์บางท่านหนึ่งได้ยินเคยได้ยินหลวงปู่โดนบอกว่าเอบวชเสร็จแล้วแตยังไม่เป็นพระน ะ, ะถ้าดูได้ไงไม่เป็นพระก็บวชมาะ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 มาเสียเวลาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกก็ยังยงั้นเนี่ยคนโบราณบอกไงเข่าหูซ้ายทะลุหูขว า, อ, าอะไรเป่าปี๊ควายฟังตักน้ํารถหัวตอเอคนโบราณนี่เก่งเนาะเป่าปี๊ควายฟังควายฟังไม่รู้เรื่องเข่าหูซ้ายทะลุหูขวาเออ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 แต่อย่าไปยกแบบบังคับต้องยกแบบสังเกตู้เท่าที่รู้อาตมาเคยบังคับอยู่กันนะปีสี่เจ็ดมาแค่แสงเทียนเ น, ะนี่ยทนะ่านกสินเนี่ยนั่งนะถามว่า้านหายงว่วงยั ง, ย, งยังไม่หายหรอแต่อังปีสามสี่สี่เจ็ดนี่มัน <laughs> ยังไม่หายเลย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 หลังจะกลับไปแล้วเนี่ยเป็นวันเจ็ดวันหลังจะกลับไปแล้วรู้สึกเอ๊ะมันดีขึ้นนะพอใครว่าอะไรโกรทปุ๊บเอาปวดนีด่หว่ามันเห็นความปวดแล้วมันก็หายไปโดยเราไม่ต้องไปอะไรกับมันอา้าหายไปแล้วโกรทปุ๊บหายไปเห็นมมันไม่อยู่ยาวเออมันดีขึ้นนะมันก็เริ่มสร้างความมั่นใจจาของนะเออ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 ไม่เข้าร่วมทำว่าสวดมนต์เดินยกโคมอยู่นั่นเน่ยใครจะว่าไงไม่สนใจน่ะทำอย่างนั้นเนี่ยจาง่วงแค่ไหนไรแค่ไหนก็เดินอย่างเดียวนั่งไม่ได้นั่งลหลับหลัเดินก็ยังหลับ็จะว่าจะนั่งเลยเดินก็หลับก็เดินอย่างเดียวอะไปอยู่ครั้งแรกก้าววันที่น้องบอกหลอดนอเนี่ยโหโยงขาเวลาส่งน้ามันนั่งไม่ได้ต้องนั่งมาเพียบนั่งกตมาศมั่นมันปู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 ถ่ายรูปไว้ตอนนั้นมันแบบเป็นแผลตอนนี้หูสวัดเลยนะเป็นอยู่หลายเดือนเนะี่ยมันไม่ยุบอะ่ะนอนตะแคงได้ข้างเดียวนาะนๆะนอะนเะนะีนะ่ยนะนะลองสิสักสองชั่วโมงมาหลับอ่ะมันมึ้งต้องลุกมาลุกมาก็จะนอนอีกก็ไม่ได้นะ้วตัดแจ้งไว้เดินชมคงพอเดินสักพักชั่วโมงไปชั่วโมงไปนอนมันก็มอนได้ความมึ่งมันหายก็ ห, ห, ยหลับหลับข้างเดียวเนี้ย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 เน่ว่าเต่ิอื่นเนี่ยทำวัดอาตมา ก, ก็มีพูดเทาหูซ้ายเทหูขวามาตลอดก็ไม่รู้นะพี่ที่อาตมา ก, ก็ถามตรงๆนะถามจริงๆแต่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยทําเพื่ออะไรบวชมาทำอะไรอาตมาต้องมีก ฎ, ฎกติกาสำหรับอาตมาใครจะมาบวชอาตมกาอาตมาเนี่ยถ้าบวชกระตำเดือนอาตมา ก, ก็ไม่รับ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 ตั้งกฎกติกาเข้าไวก็เข้าใจว่ า, าศาสนาพูดมันไม่ใช่บวชแก้บนมันไม่ใช่บวชตามมาเพนีมันต้องบวช ด, ด้วยศรทัทธามีคนหนึ่งก็อยู่ที่วัดนะก็มีลูกชายสองคนอยากมาบวชออกอย่ายากคนเดียวต้องให้ลูกมันอยากด้วยก็ อ, อ, อยากแต่ตัวเองนะลูกมันไม่อยากตัวเองเขามปอยู่วัดสัเกเจ็ดวันเอาไหมล่ะให้ปฏิบททัติสักเดือนเอาไหมล่ะเต็มที่ยไม่เอาหรอก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 เมือฝากที่วัาตะมาตะมาตมาเห็นภาพด้วยเลยฝากอยู่ดนวันเนียวหนีสึกไปแหละยากใก้บวดอย่างเดียววมตีระคังนะพูดมากตีระคังยวงต้องปฏิบัติได้แล้วช่วยจะช่วยหรือสังคมได้แล้วจะเข้าใจนะจะเข้าใจแล้วเราจะช่วยได้เออเนี่ยแนะนำได้มันไม่ใช่ประเพณีนะมันเป็นเรื่องของคนออกอยากออกจากทุกนะ และที่มาเนี่ย reve, อยากออกจากทุกหรือเปล่าเนี่ยที่มาจะไปนอนหรือจะคุณถูกบังคับไปมาหลายคนถูกบังคับเนี่ยงั้นถ้าอยากออกจากทุกต้องมานาแล้วทําไมจะต้องรอเจ้าคุณส่งมาด้วยล่ะเนี่ยโกหกกันชัดๆเลยนะเนี่ยอต้องรอเจ้าคุณส่งมาด้วยไม่มาเองอ่ะเห็นมไหมไม้จริงครับเขาส่งมาเนี่ยเขาเรส่งมาเนี่ยไดจริงข่าวเจ้าคุณส่งมาสิบคนเนี yeah, <t <t ่ยถ้าอยากออกจากทุกเองมานาแล้วไม่ต้องรอแล้ว